ที่เขาให้ด้วยความพอใจเพื่อข้าเข้าต้มถวายภิกษุณีทั้งหลายแล้วฝากไว้ที่บ้านของเจ้าของร้านค้าคนหนึ่งแล้วเข้าไปหาภิกษุณีทั้งหลายได้กล่าวดังนี้ว่าแม่เจ้าพวกเราฝากบริการข้าเข้าต้มไว้ที่บ้านของเจ้าของร้านค้าชื่อโน้นท่านทั้งหลายโปรดให้วิยาวัชกรไปนําข้อสารจากบ้านนั้นมาหุงต้มฉันเถิดเจ้าข้าภิกษุณีทั้งหลาย ให้เอาบริขารนั้นแลกเปลี่ยนเพศัตวแล้วบริโภคสมาคมนั้นทราบเข้าจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าฉไนพวกภิชชณีจึงให้เอาบริขารที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งที่เขาถวายอุทิศของอย่างหนึ่งที่เขาบริจาคแก่ภิชชณีจํานวนมากแลกเปลี่ยนของอย่างอื่นเล่าพิชชณีทั้งหลายได้ยินสมาคมนั้นตนําหนิประนามโพลธนา